พระธรรมเทศนาของท่านหลวงตา น, นรสัตวปทีนานโยตอนรู้ความเคลื่อนไหวด้วยใจที่ว่างเปลา่าตอนที่หนึง่งเราได้รู้ก่อนแล้วเข้าใจหมดดูฝงดูแล้วเห็นแล้วทีเข้าใจแล้วะแต่เราไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้เราไมได้รู้จริงๆคือที่เราวันๆมันเนี่ยเราไม่ได้ด เราขาดประตูใจเลยเรารู้แต่ประตูตารู้แต่ประตูหูเราเข้าใจคํจาสอนเราเข้าใจเราเข้าใจคําสอนเรื่องใจทีสบายเราก็รู้ที่จะคิดที่จะพิสูจน์ออกมาใจที่สบายได้แต่เราไม่รู้เลยไปถึงว่าทำยัง ไ, ไงเราเพื่อคนรู้แต่เรารู้ได้ว่าเราจะไม่สบายเนี่ยเข้าใจเรื่อแต่ละคนมันสามารถพิสูจน์ได้เนี่ยถ้าระดับนี้เราสามารถที่จะพิสูจนเรื่อออกมาจาก ความไม่สบายใจใช่เพราะความเข้าใจที่มีกัขึ้นเดินเรื่องแล้วการปฏิบัติมาเลื่ยแต่ทุกขณะปัจจุบันเนี่ยเรารู้แต่ตารู้แต่ทสหูรู้แต่ว่าเราทําอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นเราทําอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นเคลื่อนไหวใจก็อยู่กับสิ่งนั้นแต่เราขาดสตุใจไปสตุที่เราขาดการสตุใจคือว่าเลามันมีความรู้สึกรู้สึบอารมณ์ยากใจอะไรเนี่ยอืมเราเข้าไปเฉืยกันตลอด เราเข้าไปสวยเข้าไปแทรกแกงเข้าไปวุ่นวายกับอะไรหรือปล่ามีผู้เข้าไปวุ่นวายไ้มมีตัวตนของผู้เข้าไปวุ่นวายไหยเดี๋ยวว่ามันควจะเป็นไจมันอย่างนั้นเน่ยแต่ไม่มีผู้ไม่มีตัวตนของผู้เข้าไปสวยไม่มีตัวตนของผู้เข้าไปวุ่นวายเราเรียนแต่ว่าเออใจกับสบายเรามือยกมือก็อยู่กับความสบายใจทําไรก็อยู่ความสบายใจเอ้อันนี้จะได้กค่ความสบายเพราะสบายใจแล้วเดี๋ยวก็ไม่สบายใจ สบายใจได้ทีต้องยังไม่สบายใจเพราะว่าความสบายใจมันมันก็คือความไม่สบายใจมันอยู่ด้วยกันเหรียญสองหน้ามันหน้าดื้อและหลังดื้อถ้าเราเลือกเอาหน้านึงเป้นหน้าสบายใจเราไม่ผิดอยู่แค่หน้าสบายใจมันก็ต้องติดหน้าไม่สบายใจมันด้วยเราก็พ้นความไม่สบายใจไม่ด้เราเลยพ้นจากความทุกข์ได้เราเลยจบตรงแค่ความสบายใจเวลาพอเราจะตายปัญหามันจะเกิดเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราสุขภาพดี เราเยอยู่กับความสบายใจได้แต่เวลาเราถูกกระทบกลับไปบ้านเจอลูกเจอหลานเจอสามีเจอภรรยาเจอเรื่องปัญหาเราเราอยู่กับความสบายใจไม่ได้เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราอยู่กับความสบายใจไม่ได้สามีพ่อแม่ลูกหลานไม่สบายเราอยู่กับความสบายใจไม่ได้ต้องเข้าโรงพยาบาลจะเป็นจะตายเราอยู่กับความสบายใจไม่ได้เราอยู่กับความจิงไม่ได้แต่เราอยู่กับความสบาใจแต่เราก็อยู่กับความจิง เราไม่ได้อยู่กับความจริงเราไม่ได้เห็นความจริงแต่เราอยู่กับความสบายใจเพราะใจเราเลยสบายจะไปคืนดูแลแต่เราไม่ได้อยู่กับความจริงความจริงคือไม่มีสินงใดที่ถือได้ไม่มีสิ่งใดเที่ยงสิ่งที่เที่ยงมีสิ่งที่เที่ยงไม่มีสิ่งที่ี่ยงไม่มีสิ่งท่มีสิ่งใดที่ถื ความสบายใจก็จะอยู่ไม่ได้เพราะความสบายใจไม่ยึดถืออะไรยี่ถือได้เพราะผู้ที่ยึดถือนั้นก็เป็นผู้ที่ไม่เที่ยงผู้ที่ยึดถือนั่นเองน่ะก็เป็นผู้ที่ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นจึงไม่เทียงอะไรยี่ถือได้เพราะตัวผู้ยี่ถือเองก็เป็นตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยวเราเห็นความจริงเนีอย่างนี้เรียกว่าอยู่กับความจริงอยู่กับการรู้เห็นตามความ็นิีไม่เท่ยอยู่แต่ใจสบาย แล้วอยู่กับการทําอะไรก็สสบายเป็นแบบกสบายไม่อยู่ว่าเป็นบ่อยก็สบายแต่เราไม่ได้อยู่กับความติดกพราทุกสิงไม่เที่ยงทุกสิงไม่เที่ยงไม่มีอะไรทึดมั่นถือมั่นได้เพรา่ออให้มันเป็นไปตามสิ่ที่มันเป็นไม่มีใครเข้าไปเสวยไมใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเห็นมันทุกอย่างที่เีิดจาความเปลี่ยนแปลงไปแล้วยกมือก็เห็นจากความเปลี่ยนแปลงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงภายในแลภายนอก ภายในตัอเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยกมือและเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรายกมือน้วค่าฐาก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแลระหว่างที่เรายกมือภายในจิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันก็มีความรู้สึกท่มมีใจสบายเมอสบายิสั่นิ้หนีกูนต่งกูซนนัเป็นบุญนั่งเป็นบาัก็มันสลับกไปสลับกมาสลับกไปสลับกันมาเพราะมันสดอยู่ไ้ความไเที่ยงเราเห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นวิเยกีนี่ภายในก็ไม่เที่ยงภายในก็ไม่เที่ยงภายนนก็ไม่เที่ยงยในก็ไม่เที่ยง รับรู้ถึงแต่ความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไที่ยงไม่มีอะไรเลันหยมัได้ใจเดินก็ไปยึกอย่างเนื่อแต่รับรู้ถึงความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงแม้แต่ตัวพูนก็ไปยึดั่หยุด่นตกตกทใ้ความไม่เที่ยงมันจิงไม่ีอะไรเที่ยงเห็นแต่ความไม่เที่ยงการก็ไปยึดมันก็ไม่เที่ยงพอรู้ตัวม่อไหร่ก็เข้าไปยึดมันก็ไม่ยึดได้พอไม่รู้ตัวก็เข้าไปยึดพอรู้ตัวขึ้นมามันก็ไม่ยึดพอยึดมันเลย ถ้าพยายามรักษาความไม่ยิดไรมันก็ไม่เที่ยงไมัอยามีผู้รู้ตามมเลยผลจากความรักษาทุกคนเท่าไปยึดเราจึออย่างเดียวเนี่ยเด็กถึงความที่ผู้ยึดและผู้ไม่ยึดจะตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงกันแล้วก็อยู่กับความรู้ความเึ็นาความเป็นจริงเนี่ยเพื่ออะยกมือ้องอยู่กักความรู้ความเึ็นาความเป็นจริงทั้งไทยนอกและไทยไนต้องเรียบตกับความจริงตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยนไม่มีอะไรสามารถฝากเอาเป็นที่พึ้นเป็นฝากีฝากใต้ได้ เพราะตัวเราของตัวเรเองก็ปากผีปากไขไมได้เพราะมันตกเกี่ยวได้ก่อไม่เที่ยงเห็นแต่ความไม่เที่ยงเี็น่ความไม่เที่ยงนี่นะความไม่เที่ยงอย่นี้แหละเห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นอยู่ทุกสรรสิ่งไม่เที่ยงสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นแล้วมีจต่สิ่งนั้นมีแต่ตัดไปสิ่งใดที่มุกิดขึ้น้มีแต่ตัดไปไม่มีสิ่งใดท่านอยู่แลมีจิ่งองรับรู้เหมือนทุกอย่างอย่างที่มันเป็นยกมือรับรู้เหมือนทุกอย่างอย่างที่มันเป็นทั้งไทยนอกและไทยใส ยกมือจะรับรู้มันทุกอย่างทุกอย่างมันเป็นทั้งภายนอกและภายในพอเราทานาญแล้วเนี่ยเราแม้แต่เราไม่ยกมือเราไม่ทางานจะต่อยาไปได้ยาไปดับน้ำไปดับปืนไปทำโต้นทำนี่เราก็จะรู้มันทั้งภายนอกภายในอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้ว่ารู้มันเฉพาะตอนที่เรายกมือแต่เราสามารถรับรู้มันทั้งภายนอกภายในตลอด24ชั่วโมงเที่เราหลับไปถ้าเราหลับไปเท่านี่ยความรู้มันจงหายไปเพราะว่าปกติไม่ขาด ถ้าเราไม่หลับตั้งแต่เรารู้ตัวขึ้นมาตาเราก็ยัไม่ลเลยแต่ความรู้เนี่ยมันรู้ตั้งไฟนอกแระไฟในม่ตาเราจะไม่ลืมมันก็รู้ไฟในหูเราได้ยินเสียงก็รู้ไฟนอกแต่พอเราลืมตาแล้วตาเราก็มองเห็นหูก็ยินยินแต่ความรับรู้ไยในมันรับรู้มันตั้งแต่ตาังไม่ลืมแล้วตั้งแต่รู้ตัวขึ้นมาแล้วจะถึงหลับไปในแบบนั้นแล้ว24ชั่วโมงเนี่ยจะไม่แตหลับก็ท่านไม่รู้ไม่รู้ตั้งไฟนอกภายใน แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะรับรู้กัแต่ภายนอกไม่แส่สบายรับรู้แต่ใจสบารับรู้ภายนอกรับรู้ติ่ตียนทำภายนอกแล้วก็รับรู้แส่สบายรับรู้แค่แส่สบายกับเส่ไม่สบายเราจะรับรู้แต่แค่ใจสบายกับใส่ไม่สบายตั้งที่ไปนั้นแต่เราไม่เห็นจิตเคลื่อนไหวเราไม่เห็นจิตเคลื่อนไหวไม่ปกติ ตัวตนของผู้ยึดมั่นสมั่นให้ปเกิดของผู้สำรวจไม่ปรากฏกิริยาอาการผู้รับรู้ผู้รู้คิดปฏิสิทธิ์รับรู้ไม่ปรากฏผู้รู้เลยผู้รู้ไม่ปรากฏปรากฏแต่สิ่งที่สืบรู้ตั้งภายในและภายนอกแตนไม่ปรากฏผู้รู้เป็นอย่างนั้นตลอดไปวิชั่วโมยกเว้นแต่เราหลับไปมันก็หายไปจากความรู้มคไามตั้งใจพอเราคืนมามันก็ปรากฏแต่สิ่งที่สุบรับรู้แต่ผู้รู้ไม่ปรากฏควาที่ผู้รู้ไม่ปรากฏเป็นอย่างไร รู้่าเนี่ยตาเราทุกคนเยเห็นแก้วหมดตาเราทุกคนเห็นแก้วเราเห็นแต่แก้วที่ถูกรับรู้แต่เราไม่เห็นตาเราไม่เห็นตาและไม่เห็นใจเราไม่เห็นผู้รู้และเราก็ไม่เห็นตาด้วยแต่เราเห็นแต่แก้วพอเราได้ยินเสียงเราก็ได้ยินแต่เสียงแต่เราไม่ได้ยินหูเออ แล้วเราก็ไปเห็นพูดเราแล้วเราก็ไปเห็นพู้จิ้งจกต่าูด้วยเปรีบเทรียบไม่ดีนะมันมีตากับลูกหูกับเสียงจมูก ก, มกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับอิริศผัดแล้วก็ใจกับอารมณ์คือสิ่งที่สูญรู้ได้เด็ดขคือความรู้สึกที่ตามองเมืนมอนี้หกประตูหกประตูหกประตูตาเนี่ยกับลูกคู่กับลูกเวลาตาเห็นลูกมันเห็นแต่ลูกแต่ไม่เห็นตา และไม่เห็นผู้ที่รู้ต่างตาเห็นแต่ลูกและระหว่างตากับลูกไม่มีสายไฟต่อไม่มีสายไฟต่อเชื่อมถึงกันระหว่างตากับรูกแต่เป็นความว่างเปล่าเป็นความไม่มีอะไรและเอามือกั้นระหว่างตากับลูกจะเห็นไม่มีอะไรบ้าไม่เีโดนอะไรเลยเอามุดใส่ั๊บใส่ใส่เก๊ใส่หมุดเอาหมุดใส่โดนหางหาเยี่ห้ก็ไม่ยีหาสายไฟก็ไม่ยีแต่มันสามารถมองเห็นได้มันหน้าแต่งไหมว่าระหว่างตากับลูกไม่มีสายไฟนะ ไม่มีสายไฟไม่มีเชือกแต่เอามือพยายามไปไปโดนก็ไม่โดนอะไรแต่มันมองเห็นระหว่างหูกับเสียงไม่มีสายไฟไม่มีเชือกแต่เอามือไปกัน้นไม่โดนอะไรมันเป็นกวาองว่างตากับลูกเห็นแต่รูปแต่ระหว่างตากับรูปม็นเป็นกล่องว่างมันเป็นกล่องว่างมันไม่มีอะไรระหว่างใจกับธรรมาลมคือสิ่งที่รู้ได้สัใจมันก็เหมือนกัน มันจะรู้แต่อาการทางใจแต่มันก็ไม่เห็นตัวใจผู้รู้เพราะว่ามันจะเห็นแต่รูปจะไม่เห็นตามันจะได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นหูไม่ได้ยินหูมันมันจะรู้แต่อาการทางใจแต่ไม่รู้ใจและระหว่างสิ่งที่เพียรู้ทางใจกับใจเป็นความว่างเพราะตากับรูปเป็นความว่างหูกับเสียง ระหว่างหูกับเพียงไม่มีสายไปต่อเป็นความว่างกวาไม่มีอะไรตากับรูปเห็นแต่รูปแต่ไม่เห็นตาไม่เห็นผู้รู้สังตาแต่เป็นความว่างงั้นอาการทางใจกับผู้รู้สังใจเป็นความว่างดังนั้นเน่ยธรรมชาติที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยคงมีแต่อาการทางใจกับความว่างคงมีแต่รูป ก, กับความว่างคงมีที่เสียงกับความว่าง จึงรับ <Riley> ร e, ู ple, que, los, no esen, cons, East, ้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ความได้ใจที่ว่างเปล่าใจที่ว่างเปล่าบางทีไม่อยากจะพูดเสียงข่าว่าเพราะคนเราไป็ับบยิดเอาความรู้สึกว่างความรู้สึกว่างมันเป็นเวทนาเป็นสุโเบญธนาเป็นสิ่งที่เราชอบอะไรก็ตามที่จินตนาการที่สุกใจมันจะเป็นสุโภเบญธนาอาการที่ไม่ถุกใจมันจะเป็นสุโภเบญธนาดังั้นความรู้สึกว่างไม่ไช่ถึงความไม่มีอะไรการเป็นความมีคือมีความรู้สึกว่างงนั้น มันรับรู้ทุกอย่างด้วยความรู้สึกว่าไม่มีตัวใจไม่มีใจไม่มีผู้รู้ไม่มีอะไรเลยมีแต่สิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นคือมีแต่รูปมีเสียงและมีแต่อาการจิใจแต่ไม่มีผู้รู้ไม่มีใจไม่มีใจปรากฏทุกอย่างมีแต่สิ่งที่รู้แต่สิ่งที่ไปรู้นั้นไม่ปรากฏอะไรเลย ไม้เรียกว่าเป็นความว่างแต่เป็นความไม่ก่อตัวอะไรมันเหนือพวความว่างไปอีกเพราะความรู้สึกว่างเป็นสิ่งที่รู้ได้แต่พูกมาว่าความว่างให้ประกัวอะไรมันเหนือกว่ความว่างที่สุถ้าเรามีชีวิตอยู่รุกขณะปัจจุบันได้ควา ม, มรู้แบบนี้สแสดงว่าเราอยู่กับธรรมที่กับธรรมนอนกับธรรมธรรอะไรก็อยู่กับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมนีธรรมเป็นเพื่อนใจตายไปก็ตายไปกับธรรมหลังจากตายแล้วก็อยู่กับธรรมคือความไม่มี อ, อะไร ไม่ปรากอะไรเมื่อแหละคือเป็นธรรมไปตลอดการทั้งปัจจุบันและอนาคตอยู่อย่างผู้มีส่วนตนแต่ถ้าเราทําอะไรด้วยใจที่สบายเราอยู่กับความสบายใจเราไม่อยู่กับธรรมเพราะเราอยู่กับอารมณ์ความสบายใจเป็นอารมณ์พอเราไปติดความสบายใจแล้วเราก็มึนใจเราไปติดสบายใจแล้วเราก็มึนเสด็ใจเราจะทําได้อยังไงเมื่อถึงพอเราไม่สบายใจเราก็สามารถพลิกตื่ออกาจากความไม่สบายใจได้ เราจะปฏิบัติอยู่ในขั้นนั้นแต่เราปฏิบัติเลยไปถึงขั้นของคนทุกข์ไม่ได้ขั้นเป็ิธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรนี้ได้เราก็ต้องปฏิบัติคือรับรู้เราผู้ถามรับรู้มือที่เคลื่อไหวใจไม่ประกฏใจมือที่รับรู้ก็ไม่ปรากฏใจไม่ปรากฏใจของผู้รู้ไม่ปรากฏใจของผู้รู้มีแต่มือที่เคลื่อนไหวแต่ไม่ปรากฏใจของผู้รู้ เราสังเกตไหมว่าร่างกายเรามีสองอย่างที่เคลื่อนไหวคือนกายเคลื่อนไหวกับใจเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวกับกายเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวเรายกมือไปสิบสี่จังหวัที่เราว่านั้นสิบี่เลื่อนสิบสี่จะมัจอ่าสิบสี่จะไปสิบสี่จังหวัดแต่ไม่ขัดผู้รู้ขัดแต่สิ่งที่ถุกรับรู้ส่วนใจเคลื่อนไหวก็คือความรู้สึกทางจิตอารมณ์ที่เคลื่อนไหวแต่ไม่ขัดตัวตนของ ไม่ปรากฏผู้รู้ไม่ปรกากฏอาการของผู้รู้ไม่ปรากฏกิกริยาการของผู้รู้ไม่ปรากฏตัวตนผู้รู้ปรากฏแต่กิริยาการที่เคลื่อนไหวภายในใจคือความรู้สึกพลื่นที่อารมณ์ที่แปกเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นหนักไปเกิดขึเปี่ยนแปลงไ ป, ป, แ, ป, ไปแต่ไม่มีใครเข้าไปสวยไม่มีใครเข้าไปยึดมัอนหรมอไมเราเลยยกมือและมีสองอย่างที่เคลื่อนไหวคือมือเคลื่อนไหวไม่ปรากฏตัวใจไม่ป ร, กปรกากฏอะไรนั่นปรากฏอะไรของ สิ่งที่ทมารู้มีแต่การเคลื่อนไหวใจจะรู้อยู่เคลื่อนไหวแต่ไม่ปรากฏผู้รู้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็รู้ว่าใ้เคลื่อนไหวคือมีความรู้สึ ก, ม, กมีความนึกมีความคิดมีอารมณ์มีอาการต่างๆแต่ไม่ปรากฏผู้รู้เหมืองกันั้นหรือจะพูดอีกอย่างว่ามือเคลื่อนไหวใจว่างเปล่ามือเคลื่อนไหวใจว่างเปล่าจิตเคลืมม่อนไหวใจว่างเปล่าสมมติว่าอนี่เป็นจิตอันนี้เป็นจิต จิ๊กเกอนไหวใจว่างเป่ามือเคลื่อนไหวใจว่างเปล่าจิ๊่เกอนไหวใจว่างเป่ามือเคลื่อนไหวใจว่างเป่าจิ๊กเื่อนไหวใจว่างเป่ามือเคลื่อนไหวใจว่างเปล่าเลืของยาคือการเคลื่อนไหวใจว่างเป่าจิ๊กื่อรไหวใจว่างเป่ามือเคลื่อนไหวใจว่างเป่าจิ๊กเกอรไหวใจว่างเปล่าความจริงไม่อยากจะพูดถึงความว่างมันก็เลยว่ามันเป็นคําสมมุติที่ต้องมาพูดกันก็เลยเพื่อให้ความเข้าใจเพราะว่าไปพูดว่างพูดมันก็เลยแบบพอมือเคลื่อนไหวมันไปทำให้ใจว่างว่าง พอจิตเพื่อนไหวาามันทำให้ใจมันว่างอันนี้มันผิดประหารนะจะผิดประหารไอ้ความว่างที่พูดถึงมันไม่ปรากฏมันไม่ปรากฏตัวใจมันไม่ปรากฏอะไรมันได้แต่ปรากฏสิ่งที่ถูกรับรู้เราเรียกว่ามันว่างเปล่าว่างเปล่าจากผู้ที่มาเฉลยไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างหรือว่างเปล่าจากผู้ที่มาเฉลยอาการแต่ถ้าตัาใจตรงการอย่างนี้น ม, นมันแต่งง่ายประกานแรกคือว่างเปล่าจากตัวตนของผู้ที่รู้สึก ตัวตนของผู้ที่รับรู้ว่างเปล่าจากอาการขผู้ที่รับรู้ที่จะมาตเวนอาการพวกมีแต่อาการไม่มีผู้ตัวตนของผู้ตระเวนเรียกว่าว่างเปล่าจากผู้ตระวไม่ใช่ความรู้สึกว่าเออแต่ที่เราเราพูดสั้นๆเราไม่ได้พูดแต่เรียกว่าอกายเคลื่อนไหวใจว่างเปล่าจิตเคลื่อนไหใจว่างเปล่าการเคลื่อนไหวใจว่างเปล่าจิตเคลื่อไหวใจว่างเปล่าเมื่อก็เลยคนเรามันมีเคลื่อนแก่สองอย่างคือกายกับจิตในตัวเราเนี่ย คือใจเคลื่อนไหวใจกวฟังเบาชิดเคื่อนไหวใจกวฟังเบาว่าทุกอย่างอะไรนี่เลยเคลื่อนไหวยุ่งเรื่องความเบาเคื่อนไหอยู่ในรื่องความเ่าชิดเคลื่อนไหวยุ่งเรื่องความเบาใจเคื่อนไหวยุ่งเรื่องความเบาไม่ว่าจะทํากิาการอะไรเห็นอยู่รู้อยู่แต่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าไปจอรู้ไว้นะแต่มันเป็นความรู้ในตัวของเราเองอะมันไม่ใช่ว่าไปรู้อาการจ่อไว้แต่มันเป็นความรู้แบบเรากินข้าวอิ่มเรากินข้าวอิ่มแล้วเราก็ รสกอินมไอ้ความรู้สึกอินเนี like area, water, water, ่ยเราไม่ได้ไปเอาใจเราไปจ่ออะไรจ่ออาการอิ่ไว้แต่ถามว่าเมืเช้ากิน้าวอิ่มกันหมารอยางเมื่อวันกินกันไหมอย่างนู้นเออเรากินข้าวอิ่มกันหมารอยางทุกคนบอกอิ่มละอิ่ละอิ่ละอิ่ละสังเกตไหมความอิ่มเนี่ยไม่เคยต้องไปจ่อไว้ไปจ่อความอิ่มไว้แล้วอิ่ม่มอิ่มิ่มอิ่ไปเอาเอาความรู้สึกไปจ่ออาการอิ่มไว้แล้วก็อิ่มอิ่มอ่มิ่เราไม่เคยต้องไปทำแบบนั้น แต่ก็ถามว่าปรเช้ากลางวันไปกินข้าวกินไหมยำกินหน้ากินกินกินทุกคนไม่ต้องไปเจาะอาการความรับรู้ทางใจเหมือนกันไม่ได้ไปเจาะอาการไม่มีผู้ไปเจาะอาการไม่มีอาการผู้มาจาะผู้มาจ้องผู้มาดูผู้มารู้ไม่มีอาการพวกนี้ ไ, ไม่มีอาการของผู้มาจาะผู้มาจ้องอาการผู้มาดูอาการผู้มาลู้อาการแต่มันรู้ว่ามีอาการเกิดขึ้นไม่มีใครมาสเฉลยไม่มีผ <t> ู้ใดมาสเฉลยอาการนั้นที่เกิดขึ้น ทุกอาการที่เกิดขึ้นไม่มีผู้มาสรวจไม่มีผู้มารองรับซึ่งมีผู้บัยึดมั่นหรือมันนี่แต่อาการอย่างนั้นเน่ยเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเปล่ยนไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปมันไม่ได้แบบมีผู้มาคอยรู้อาการไว้แต่คือมันรู้เหมือนรู้อิ่มเลยอิ่นแต่ไม่ต้องไปเจาะอาการจริงคือมันมีอาการที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีใครไปสรวจมีความรู้ตัวของตัวเองอยู่อย่างนั้นตอบได้อยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาว่าผู้นี้แต่ริยาอาการที่เคลื่อนไหวใจใจมันว่างปล่าจะผู้ที่มั่นหรือไม่ กายเคลื่อนไหวใจว่างป่าจากตัวตนของผู้ยิ้มมั่นติมั่นว่างปล่าจากตัวตนของผู้รู้จิตเคลื่อนไหวใจก็ว่างป่าจากตัวตนของผู้ที่มารู้ผู้ที่มาเจาะอาการผู้ที่มายิ้มาั่นติดมั่นกายเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวไปก็ว่างปล่าจากตัวตนผู้มาเจาะอาการว่างปล่าจากอาการของผู้มันาเจาะมาดูมารู้ไว้มันไม่มันเว้ทขาดไปเลยจากตัวตนของผู้ที่เป็นผู้มาดูผู้มารู้ผู้มาแสดงอาการผู้มาเสนอ เมื่อไม่มีผู้มาคอยเจาอาการมันก็เลยไม่มีผู้เฉลยเลยเพราะมันไม่มีผู้มาดูอาการผู้มารู้อาการผู้มาเจาะอาการมันเลยไม่มีผู้เฉลยเพราะไอ้ตัวผู้เฉลยนั่นเองแหะก็คือผู้มาเจาะอาการผู้มาดูอาการมันเลยกลายเป็นผู้เฉวยซะเองถ้าเมื่อเราเนี่ยไม่มีตัวผู้มาดูอาการผู้มารู้อาการผู้มาเจาะอาการมันเลยไม่มีผู้เฉลยมันเลยไม่มีผู้เฉลยเพราะมันว่างปล่าแต่ผู้มาดูผู้มารู้มันเลยไม่มีผู้เฉลยเพราะไอ้ผู้ดูผู้รู้อาการนั่นแี่ย มันมีเป็นผู้สอนเองเป็นเองมันจึเป็นเสาพิชานุสุดท้ายจึงเป็นเสาพิชานึไม่ทราบแต่เข้าใจไหมอันนี้เอออย่างนั้นไงตอนนี้ผู้รู้อบบเนี้ยมันก็เป็นผู้รู้ธรรมดาีดิไงมันก็เป็นผู้รู้อย่างธรรมดาอย่างธรรมดาธรรมดาเป็นปกติธรรมดาธรรมดามันไม่คว่าผู้รู้ที่เราธรรมชาติผู้รู้เอาไว้ มันเป็นผู้รู้อย่างธรรมดาผู้รู้อย่างธรรมดาไงก็ทุกคนเนี่ยมีหมดผู้รู้เนี่ยมีหมดเลยผู้รู้อย่างธรรมดาเนี่ยหมาแมวมันก็มีนะหมาแมวมันก็มีมันนอนอยู่มันก็รู้ว่ามันนอนอยู่มันเดินอยู่มันก็รู้ว่ามันเดินอยู่เจ้าของมามันก็รู้ว่าที่เจ้าของมามันทําความผิดพอเจ้าขอมามันรีบไปต้อนเลยมันรู้จะตายมันรู้หมดสัตว์เลี้ยงกามันก็มีผู้รู้ผู้รู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติ มันเป็นธรรมชาติของข่ารู้มันเป็นพุทธะเป็นพุทธะข้ามันเป็นธรรมชาติธรรมดาเลยธรรมดาตามปกต pues ิที่มีในพระเจ้าในพระอรหันต์ในประสิริชทั้งหลายในกฎเกณการมันมีผู้รู้ที่เป็นพุทธะเนี่ยที่เป็นธรรมดาธรรมชาติธรรมดาเนี่ยมันมีอยู่แล้วในทุกคนถามว่าพวกเราเนี่ยนั่งข้าทานยังไงเนี่ยรู้ไหมรู้พวกเราแค่ได้ยืนอยู่รู้ไหมรู้ทําไมถามอะไรรู้หมดเลยพวกเราหน้าทามืทอทํำยังไงรู้ไหม รู้เอ่อใครพิชบริไปมาที่มือใครแฉะจะหมู่ใครแฉะที่หมู่ใครใครเกาหูรู้ไหมรู้เออเวลาใครยกมือถามรู้ไหมรู้เวลาฟังเราอยู่เนี่ยใครแอบพิรในใจตัวเองกันรู้ไหมรู้เวลาสบายใจไม่สบายใจรู้ไหมรู้ถามอะไรรู้หมดเลยถามอะไรรู้หมดอ้าวตอนนี้ก็อศริบาร์ให้เหนือแต่รู้กับการบรรลุการธรรมชาติอ่ายกมือแล้วอาจารย์รู้ว่เป็นมาเรื่องอะไรัะ ปบบนี้ถามบอกรู้หมดทุกอย่างเลยพอจะอ้าวจะนี่ก็เป็นอย่างธรรมชาติตามสุขการจะเป็นธรรมชาติตามปกตินะมิตรสิทธที่ถูรู้ผู้รู้ไม่ปรากฏนั่นเองรู้ธรรมชาติตามปกติเดี๋ยวยกมืออาจารย์รู้ไม่เป็นเพราะไงรู้ไม่เป็นแล้วนั่งอยู่รู้ไหมรู้ยกมือถามเนี่ยรู้ไหมรู้รู้ไหมว่าเตยกําลังพูดรู้แล้วคิดอะไรอยู่รู้ไหมรู้เป็นสบายใจรู้ไหมรู้สงสัยอยู่รู้ไหมรู้ทําไมถามมันรู้หมดเลยอ้าว กันละอาจารย์ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรารู้อย่างไรเอาก็ไอ้รู places, ้นั่นแหละรู้นั่นแหะมันเป็นบุษ t มันเป็นรู้อย่างธรรมชาติแล้วล่ะมันเป็นรู้อย่างธรรมดาจะเป็นปรุงซ้อนเพิ่มอีกอย่าปรุงซ้อนรู้ธรรมชาติปรุงซ้อนรู้บุษ t h มันรู้อย่างธรรมดาธรรมดาธรรมชาติท่านน่ะเออมันรู้อย่างที่แบบเราเป็นอะไรก็รู้หมดตัวปวดว่าตัวเราเป็นไข่รู้หมดนสบายก็รู้หมดนั่งก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้เดินไปไหนมาไหนก็รู้ มันรู้หมดเลยถามอะไรรู้หมดเลยสบายใจมันจะแอบคิดอะไรกัใครก็รู้หมดเลยรู้แน่เขาเรียกว่าพุทธะเป็นชื่อสมมุติที่เราแสวงหาพุทธะหาธรรมะหาสังฆะหานิพันธนั่นแหละคือผู้รู้อันนั้นเนี่ยรู้อย่างธรรมชาติดาอย่งนั้นแหละไม่ใช่รู้ที่เราไปปรุงแต่งรู้พยายามทาให้รู้ไว้พยายามไปปรุงให้รู้แล้วเราตัวเราต้องเป็นคาลัยตัวเราต้องเป็นพระอรหันต์ตัวเรากอเป็นนิพพานไม่ใช่แล้วนั่นแหละจะรู้อันนั้นเนี่ย แค่รู้ธรรมดาธรรมชาติธรรมดาธรรมดาเนปกติธรรมดาเลไม่ได้จิ้งใหญ่แล้วก็ไม่ได้ิดเดี่ยวกระติ๊บกระ่จ้าลอยเพราะมันเป็นรู้อย่างธรรมดามันเลยไม่มันไม่มีตัวตนมันไม่เลยไม่มีกว่างไม่มียาวไม่มีหนาไม่มีกว่างไม่มีเล็กไม่มีใหญ่แต่ถามว่าแล้วรู้มันเป็นยังไงพี่เธอเธอเธอตอบนะทุกคนยกตอบทุกคนรู้รู้รู้ถามได้รู้หมดนั่งก็รู้ไหมรู้ยกมือรู้ไหมรู้คิดอะไรก็รู้ไหมรู้มันสบายใจรู้ โตตอบอะไรกับนราอยู่ในใจรู้ไหมรู้ถามแล้วรู้เป็นยังไงในตอบมัรู้มันอยู่ที่ไหนตัวตอบมันเป็นยังไงรูทธศาสมันเป็นยังไงแล้วอยู่ตรงไหนเ้าบอกหน่อยไม่รู้่ะถามอะไรู้อะหมแต่ถามแล้วรู้เป็นยังไงไม่รู้วะเอ้าเข้าใจไหถ้ามรู้ไหมนั่งรู้ไหมรู้สงสัยรู้ไหมรู้โตตอบเสียงอยู่ในใจรู้ไหมรู้เออรู้หมดทุกอย่างถามไล้รู้รู้แลรู้เป็นยังไงไม่รู้่ะนี่แน่ถูกตอง เพราะว่าไม่รู้หลักรู้เป็นยังไงไม่รู้อ่ะสุองเาะเพรามันไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงมันไม่มีตัวตนมันไม่มีรูปร่างมันก็ไม่ใฉ่ขาวไม่ใช่เหลืองทั้งไม่ใช่แดงทั้งไม่ใชดกว้างไม่เฉดยาวไม่เชดหนาทั้งไม่ใฉ่สว่างทั้งไม่ใชดมืดมันต้องม่เฉสว่างด้วยแล้วก็ไม่เฉดมืดไม่ใช่ความว่างไม่ใช่ความลึกมันไม่แต่รู้ว่างมันรู้แต่ว่าแล้วมันก็รู้ใจลึกมันรู้มันดินไม่ใช่ทั้งว่างทั้งไม่ว่าง มด้แต่รู้เพราะว่า ม, มันตอบได้หมดไงไอ้ที่ตอบได้หมดนั่นแหละคือพุทคือธรรมะคือสังฆะคือวัดที่เราจะต้องไปมันอ ย, ยู่ตลอดเวลาที่ีชั่วโมงยกเว้นแต่เราหลัไปนั่นแหละคือวัดของเราวัดไม่ได้หมายถึงที่นี่วัดไม่ได้หมาถึงพออ ร, ระอิศกรพระทัยเขาพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงคููที่ปั้นหัวไว้ไม่ได้หมายถึงสองเหลืองที่หลอ่อเราสงฆ์ไได้ถึงยถึงผ้าผ้าที่กองนี้พขาพุทธธรรนเสงฺ วัดนั่นนหละคือผู้พิพากษาผู้รู้อนึ่งผู้รู้นั่นแหละผู้รู้อันนั้นแหละคือทุกพิพากษมีอยู่แล้วในสัตว์ใ น, ในเอกาพุทธเตยเจ้าในพระอรหันต์ในสุตติสัมพเพราะอะไรเพราะมันรู้หมดสัตว์ในสารมันทะลนกมันมาเนี่ยตอเด็กเันจหนังกระติกกรยิงมันรีบหนีเลยรีบหนีเลยเพราะอะไรมันรู้แต่โดนค่าแล้วมันรู้ดั น, นั้น ความรู้อันนี้มันมีอยู่แล้วในทุกทุกท่านแต่เราไปแสวงหาผู้ชาเราไปแสวงหาธรรมเราไปแสวงหาขรอสงฆไปแสวงหาวัดแสวงหาพระธิดาแสวงหาพระคาถานนอกจากผู้รู้ผู้รู้เรียภาษาไทยว่าใจใจเป็ไรคผู้รู้หรือเรียกว่าผู้ชานนและแน่คือสิ่งที่เราจะต้องอยู่กับมันอย่าไม่มีผู้โต้ เพราะมันไม่มีตัวตนไม่มีผู้ตัวตนของผู้เฉลยไม่มีกิจยาการใดไม่ปรากฏรูปพรรณสถานใดหามันก็ไม่เจอท่านว่าจงจะไปหามันถ้าเราไปหามันเราหามันยังไงก็ไม่เจอเราจะว่าก็เป็นบ้าแต่มันไม่มีที่อย่างเดียวว่ามันไม่มีแต่รู้หมดจะตอบไปได้อตอบไปได้ถ้าถามว่าถามอะไรรู้หมดเลยถามอะไรก็รู้หมดรู้หมดแล้วรู้เป็นยังไงตอบกันมาที่ไม่รู้อ่ะไม่แม้จะดูกต้อง เราถามอะไรทุกหมดทุกหมดก็รู้เป็นยังไงไม่รู้ว่าได้เห็นไหมไม่เห็นนะอ่าเรื่นงไหนถูกต้องนะนรื่องไหนคือเราละคือเราแพ้ๆที่เกิดธนรตดาเพราะสิ่งนั้นไม่มีวันตายมันไม่มีเกิดไม่มีการดับไม่มีกหตุยากันใดๆมันไม่มียาวไม่มีสั้นไม่มีสว่างไม่มีมืดมันจึงไม่มีเกิดไม่มีดับเพราะมันเป็นความไม่มีอะไรตั้งแต่แรก มันเลยไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายให้ที่แตกดับมีแต่ร่างกายเนื้อนี้แล้วก็มีแต่ความรู้สึกคือที่อารมณ์ที่เป็นนามธรรมนี้ที่แตกดับแต่รู้นั่นอ่ะมันไม่เกิดมันไม่ตายมันได่แต่รู้เราจะตายแล้วเราจะตายแล้วคือธาตุน้ำจะแตกแล้วลูกน้ำจะแตกแล้วลูกน้ำจะแตกจะดับแล้วรู้ไหมรู้แต่้ลูกน้ำเนี่ยดับแต่มันน้ำไม่ดับเราถามหลวงปู่ดุนัตตโลว่าอยู่กับอะไรอยู่กับรู้อยู่กับอะไรอยู่กับรู้ ใครถามท่านปะอะไรจะไปหาเราถาของท่านอยู่กับรู้อยู่จับรู้รู้นี่เนี่ยไม่ใช่รู้ที่เราไปปรุงแต่งขึ้นมาให้มันรู้แต่มันเป็นรู้ที่เป็นปกติธรรมดาธรรมชาติของทุกคนที่เราถามนั่นแหละว่านั่นรู้ไหมยรือรู้ไหมจินรู้ไหมใจคิดหรือสิ่งองปรุงแต่งอะไรรู้ไหมขอให้มันรู้อย่างเนี้ยแล้วก็สักแต่ว่ารู้ไว่อยากเข้าไปเพราะว่ธรรมชาติของรู้เนี่ยมันไม่ใช่รู้แล้วอยากให้เป็นอย่างไง รู้แล้วอยากให้เป็นอย่างนี้รู้แล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นธรรมชาติของรู้มันได้แต่รู้แต่ไอ้ที่อยากถ้ามันเป็นตัวเราแต่ธรรมชาติของรู้เนี่ยตามธรรมชาติเขาได้แต่รู้ธรรมชาติของรู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มันมีตัวตนแล้วมันได้แต่รับรู้รับทราบมันได้แต่รู้แต่เรื่องการมันไม่มีตัวตนไม่มีกิริยาการอะไรมันไม่มีเครื่อบืออะไรมันเลยไปช่วยอะไรเราไม่ได้ช่วยตัวเราไม่ได้ไอ้ที่เราพยายามที่แบบ รู้แ ล, แล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะจิต ด, ดีอยากให้มีคิดให้เป็นเยอ่อดีๆนี่จะลับไปเพราะจิตให้ดีเราก็อยากให้มันดีคิดเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้คิดอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอันนั้นมไม่ใช่ธรรมชาติของมชาติรู้มันเป็นธรรมชาติกิเลสของเร า, ร ม, า, ารมันเป็นธรรมชาติของกิเลสเราแต่ธรรมชาติของท่านรู้มันง่ช่ธรรมชาติของท่านรู้มันก็ได้แต่รู้อย่างที่เราเป็นเราเป็นยังไงมันก็จะรู้แต่ที่เราเป็น เราสบายมันจะรู้เราสบายเราปวดว่าตัวใข่เป็นใข่มันจะรู้เราปวดหัวตัว เ, เป็นไข่เราสบายตัวดีสบายกายสบายใจดีมันก็ได้แต่รู้เราสบายกายสบายใจดีมันช่วยตัวเราไม่ได้เลยมันได้แต่รู้ตัวเราอย่างซื่อสื่ออย่างพงไปตรงมาอย่างที่ตัวเราเป็นแต่มันช่วยอะไรตัวเราไม่ได้แต่ตัวเราเนี่ยต้องเอาขันห้าสติปัญญาเนี่ ย, ยสติปัญญาเป็นขันห้าที่มันจะต้องแตกต่าง มาอาศัยฟังเราฟังข้อพุทธเจ้าให้เข้าใจไปถึงภาตรู้ตามธรรมชาติที่แท้จริงได้แล้วขับคื่อนไปเป็นรู้ที่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงไม่ใช่เป็นรู้อย่างที่เป็นตัวเรารู้ถ้าเป็นตัวเรารู้มันจะมีกิเลสคนคือมันเป็นอย่างนี้จิอยากมันเป็นอย่างงั้นจะอยากให้เป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้จิอยากให้เป็นอย่างนี้นมันจะอยากยาแต่ก็หลอดอะอยากตอนนี้เพราะความไม่พาใจของคน มาาลาก็ร้องไห้หลายคนอาจารย์โมหมากร้องไห้ทำไมโมโหทำไมมันไม่ยอมรู้ซื่อๆสัทีมันไม่ยอมรู้เฉยๆสัทีมันไม่ยอมรู้จิตใจปกติธรรมชาติสักทีต้อใจอย็นเลยก็เนี่ยโหเจ็บใจมากเลยพอะไรมันไม่ยอมรู้อยางเป็นธรรมชาติปกติมันไม่ยอมรู้เฉยๆไยอมรู้ซื่อๆสักที ไอ้ที่เธออยากให้มันรู้ซื่อๆมันเป็นพิจิตร์เธอแต่ธรรมชาติเขาเธอเป็นยังไงมันไม่ได้รู้ว่าตอนเนี้เธอกำลังผู้กำปวยมาก้ลมันวหมู of of ่มั่วหมู่มั <S <s ่วหมู่มั่วหมู่มัธรรมิ่มั่วหมู่มั่วหมู่มั่วหมู่มั่วหมู่มั่วหมู่มั่วหมู่มั่วมู่มั่วหมู่ตัวหมู่มั่วมู่มั่วหมู่มั่วหเธอแต่ธอมอาตั่วหมู่เป็นเนี่มั่รรมู่มั่าหู้กั่วหที่มั่วหมั่มั่วหมู่มัใจเนี่มั่รรมู่มั่าหู้มั่วหู้แต่วหมู่ตัวหมู่ะ มันเป็นธรรมชาติที่อดอัดขับข้องใจร้องไห้มันไม่ไมใช่ใหญ่ใหญ่มันไม่เป็นธรรมชาติรู้สักทีแต่แท้จริงเนี่ยไ อ, ไอ้เนียกหรือเอากิเลส ข, ของเธอไปเป็นธรรมชาติรู้มันกลับด้านกันนะเราฝึกกลับด้านเราฝึกเอาตัวเราเนี่ยจะเป็นบุทพะแต่ธรรมชาติรู้มันรู้ตัวเราตลอดเวลาแต่เราเราจะฝึกเอาตัวเราเป็นบุทพะแต่ธรรมชาติรู้ที่มารู้ตัวเราอย่างซื่อซื่ตรงไปตรงมา น, นั่นนหะคือสุดทา้ายเราฝึกกลับด้าน เราฝึกเอาตัวเราเป <ie h signal ination> ็นเราฝึกเอาตัวเรารู้และเราตัวฝึกเอาตัวเราเป็นสิปัญญาเอาตัวเราเป็นอลาัแต่ไม่ได้มันก็อยู่ที่ธรรมชาติที่มารู้ตัวเราหมดอันนั้นสติปัญญาก็อยู่ที่นั่นสติปัฏฐก็อยู่ที่นั่นธรรมะกับพักก็อยู่ที่นั่นพระอรหันต์ก็อยู่ที่สารู้ที่จะตระกาไในแต่นั้คือที่มารู้ตัวเราคือรู้ทั้งร่างกายรู้สั้งจิตใจรู้ตัวเราอย่างธรรมชาติปกติธรรมดามันก็อยู่ที่ตัวนั้นหมดเลยมันกลับได้ แต่เราเอาตัวเราไปรู้แต่ธรรมชาติที่มารู้ตัวเรานั่นแหละคือสุดท้าถ้าเราก็จะอย่างนี้มันก็จะเหลือความรู้ความสบายที่สเพราะความสบายที่รู้มันเป็นแค่ธรรมชาติของการห้าที่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ผ <nessa> ู้ที่มารู้ว่าตัวเรากำลังสะบัดใจมีความสะบัดใจที่เตือนใจแอบฟังอาการที่มันความสิดีขึ้นรู้ว่ามันเป็นขันห้าที่ต้องเปลี่ยนแปลงมันเป็นเวทนาฐาน ที่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ธรรมชาติที่รู้ว่าตัวเราเป็นยังไงธรรมชาตินั้นไม่เกิดไม่ดับเป็นสุทธติตลอดาปเราต้องอยู่กับรู้ไม่ใช่อยู่กับผ่านห้าไม่ใช่อยู่กับเราร่างกายที่เป็นการเมรี้ไม่ใช่พุทาตพุทาตคือผู้ที่รู้ตัวเราว่าตัวเราเนี่ยเป็นยังไงมีจิตใจเป็นยังไงนั่นแหละคือสุทาติจะอู่กับตัวเราไม่ดูเราเนี่ยไหนคือสุชาตนั้นไม่ใช่ ทีตัวเราเองจะต้องไปส้างบุพพาอะไรอีคือเราเนี่ยเป็นุพพาแล้วพระจะส้าตัวเราเป็นุุพพาระในส้านมันเป็นบุพพายู่แ้วเนี่ยยิมันเป็นบุพพายู่แล้วควารู้ตอวเราางซืบซืบบูษสืบบุษซืบบุษซืบสืบสืบสืบสืบสืบสืบสืบสืบสืบสืบสืบสืบสืบสืบสืบสืบสืบสืบสืบยะบสืบสืบสืบสืบสืบส่บสืบสืบสืบสืบยืบสืเธอเห็นสืบสืบส็บสืบสืบสืบสืบสืรู้ ขั yes. ในใจรู้อาการมันใจรู้ธํรมะลสัตว์ารู้นั่นแหละเธอจะรู้ปนิ่านจะไม่มีตัวตนที่เกิดนพนี้และในพวกหน้าในในโลกไหนไหนเธอจะได้รู้เธอจะมรู้ปฏิภานคือรู้อย่างเป็นธรรมชาติแท้ตากสอบิสธรรมดาพุทธเจ้าไป้ําว่าแต่เขาแปลคำพุทเจ้ามาว่าสัตว์ว่าแต่ไม่เรารู้ไม่รู้ต้นฉบับของสามารถพเขาใช้คำว่าอะแต่คำแปลภาษาไทยใช้คาว่าสัตว <st utt enza consumption> ์่ว่าแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ของเราผู้่าญรู้ธรรมะ ก็จำตัวเองแคนได้คำว่าผูสื่อหูชื่อภาษาอีสานผูชื่อไต่ลหา่านไม่หูชื่อพยายามทำอะไรใกใจปรุงแต่งในใจท่านจ็ที่กบอกว่าขนาดที่ทำปรุงแต่งรูปอะไรพยายามจะให้มันรู้ไว้พอมีอาการอะไรมีความคิดอะไรเกิดขึ้นเราจะรู้ให้ผู้รู้พอยจ้อเอาไว้พอมีอาการอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยว้ผู้รู้ใยใใจคอยอยจ้องจ้องจ้างพอมีอาการอะไรเกิดขึ้นแา่ไหนไปพอมีความคิดเหนื่ลงอะไรเกิดขึ้นเรรู้แค่ไหนไป ก็อะไรไปคนาดหมายว่าถ้ารู้แบบนี้หายหมดปุ๊บผู้ชายใจจะว่างป่านี่แหละคือนิพพานหมายถึงสิตเอาไว้เขาไปหมายเอาความว่างเป่าเนิพพานเขาไม่หมายเอาความรู้ผู้รู้ที่เป็นธรรมชาติเลยแม้แต่แต่ไปหมายใ จ, จยยมามาที่ว่างเปล่านิพพานมันเลยพิมพ์จนที่นี่เปานลำมรดกไปนั่งขนาดนั่งทำอยู่ในใจนั่นเราก็นั่งอยู่แต่น้านั้นที่ติดเราไปทําก็ไปนั่งแอบคันอยู่ตรงดินอย่างเนี้ยทํางในใจอย่างนี้ยของมีอะไรก็ขึ้นใจแบบ รู้ขึ้นมาเขมีความคิดขึ้นคิดอะไร้วยนะก็พูดรู้ไม่จำไปแล้วนี่เขารูุ้๊แน่รู้อความคิดเกิดขึ้นปุ๊บรู้รู้นี่ไหลเร็วเร็วมาเร็วกี่มึอมงก็เล่นเล่นสปีใตัวพูรู้เนี่ยให้มันเร็วขึ้นเรื่อยเรื่อ่ให้มันดับความคิดคุกความคิดหายไปจะได้ว่างเปล่าเรืาเรยบคนี้ไมพูดเนอะพูดกับเราดีๆเรียบเรียบนำไมเรีย ทำอะไรยพูงแต่งทั้ง so น so mm ั hmm. ้นแหละที่เลียทั้งนั้นเลยที่ไหนหมดเลีโดนกระดาเลยเห็นไหมกระดาษนั่งทําอยู่ไกๆไม่ได้รู้จะทำทำอะไรอยู่เนี่ยก็เปกิเลสทั้งนั้นเนี่ยไม่รู้ตัวเลยไปนั่งทําแบบนั้นเลยมันคือกิเลสไอ้ที่หมายว่าจะเอาความว่า้าปล่าเขาเป็นกิเลสและอิจฉาจะทําให้เป็นกิเลสก็เป็นกิเลสเพราะมัหมายเอาความว่างเลยว่าจะทำหมดทุกอย่างรู้ตัวกันหมดกใจก็จะว่ามอันนั้นที่กิเลสเพราะจะเอาและที่ทําไปหากิเลสก็เป็นกิเลสอยู่ก็จะไม่รู้ตัวอีก ที่เดินทางไปหาพิจิตทับแท่เลยไอ้ที่ทำเนี่ยป็ยากัรนะเป็นพิจไอ้ใจที่หมายาทีจะไปทาอะไรบ้างว้างไอ้ น, นี้ก็เป็นพิจลตรทำอย่างเงี้ยเป็นิตทัแท่ยังไม่หยุดโดนด่าคนที่เราพูดอย่างเงี้ยละเอียดแบบนี้ก็เพราะว่ า, วาเราสอนคนมันเกิดยุีมีผู้หมายเอาความว่างเยอมาเลยแล้วก็ทาผิด คอผมีสอนเท่าไรก็ไม่ยอมจะฝเอาแต่ความว่าพูดแต่ความว่าไอ้ที่ไปหมายเอาความว่าเป็นความคิดถือก็ไม่เห็นได้กิริยาที่เป็นทำไว้อะมันก็ไปทาเพื่อให้เกิดความว่าทั้งหมดกิริยาภายในจิตมก็ทำเหมือนกับว่าผ่าเกณที่สุดเลยเป็นนักวยขึ้นเกียรเหมือนนักวยขึ้นโจ๊กเอเดียีแล้วผ่าเกณฑที่สุดเจอผู้ต่อสู้ต่อยเลยพอมีความคิดติ่อยพอมีความคิดต่อยพอมีความคิดต่อยมีอารมณ์ต่อยต่อย่อยอยพูดต่อสู้หัวเลยมีความคิดมีอามณอะไรก็ตาม เพื er divorce, ่ออะไรเพื่อให้เง well, we right. ินเวทีเนี่มันว่างเปล่าเราวันนี้เล่นสเปรยตัวเองให้มันเก่งขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นสเปรย์เขามีกองที่ลงจะขึ้นมีกองที่ลกิดขึ้นต่อถ้าเชื่ออะไรเชื่อเยมีว่างเปล่าแล้วเขาบอกว่าว่างแค่อาจารย์ว่างแล้วเหมาล็อตู้มาหาเราวไปล็อกตู้เลยอาจารย์เพิ่มมาอาจารย์อะไรย่งเีอาจารย์ไม่เชื่อนดูดิมันว่างหมดเลยเนี่ยถูว่าผีอะไรดูดิมันพู้กาอะไรเปล่าล็ตู้มาจากกรุงเทพมันยังไม่รู้เลยเนี่ยเดินทางมันต้งกี่เดทแต่แค่จะมาท่นบอกว่า ให้รับรองว่าวานเนี่ยจะไม่รู้งอีกแล้วสุาติมาจากกรุงเทพในอูกิเด็มกี่ใจมากเลยเมาลูโตมบอกเขาว่าแล้วจะลงดูไม่เชื่อมาดูมีนักบวชท่านหนึ่งมาอยู่ต่อหน้าอย่างเนี้ยก็สอนทำตามทำก็ถือก็ฟังแกกโทรศัพท์เลยโ้กโทรศัพท้โทรศพทเขาจะตามทำกันเนี่ยมาตั้งใจทาไมเอาแต่โทรศัพท์เลยจะมีโทรศัพท์หรือเปล่าเนี่ย เออเาฟังฟังกันไมเราแต่โทรศัพทเนี่ยโทัพโตรศัพทแล้วโทไปไหนโทรหนังใครโทรไปบอกกันร่วกุตลก่อนที่อยู่บ้านาอยู่กับชาติตะโก้เลยไม่มีสาระสคันอะไรเลยแล้วก็บอกว่าใจมัว่างเปล่าอะไเนี้ยว่างเปล่ามานาหลายปีแล้วว่างเปล่าอะไรมันพูดยังไม่รู้เลยเนี่ยวพ่มันบุที่สุดกันเนี่ยคนอื่นก็มองเห็นว่าเราพูดเหรอทไมเราว่างเราบอกว่าเราว่างเนี่ยเออแล้วก็ไ่นอนลุกไปแล้วไ่นอนกันนะครับ นอนกลางและถามตั้นานานมากเลยก็ถามว่านอนคิดอะไรนอนคิดว่าใจเนี่ยว่างทุกขณะเนี่ยทาไมถูกเข้ามาว่าได้ว่าพุ่มซ่านอย่างนี้ยังไม่เห็นเลยใจว่างทุกขณะเนี่ยว่างมาตั้งนานแลเขทำไมเข้ามาว่าบอกว่าพุ้มซ่านทุกขณะเนี่ยเนี่ยแล้วคิดคิดอย่างเนี้ยบนเรียนคิดอย่างเงี้ยคิดมานานเนี่ย เนี่ยทำแต่นอนกายแล้ว่าเนี่ยโหนคิดไปนานนะคิดไปจทไมยเง้ามาว่าไดทําไมเขมาว่าไไมเมาว่าไดเื่อนี้เนี่ยคิดอยู่ยังไม่เห็นแล้วจะเขมกาว่ายังไงเนี่ยลุกๆก็เหมือนปฏิการแล้วป่เทียมไม่เชื่ออาจารย์ดูปดแม้แต่คิดอยู่อย่างนี้นะแต่ใจมันว่าเปล่าเอาเลยคิดคนวินอยู่เนี่ยทำวนเย แต่คิดอยู่ในใจมั์ว่างเปล่าอาจารย์เห็นไหมเนี่ยมันคิดอยู่ในใจที่ว่างเปล่าเนี่ยโอ้โหแตกกว่าคนละเรื่องเลยนี้คือมันไปจับตรงความว่างเลยบล็อกหนึ่งแล้ว่อให้ความคิดมันคิดตัวเองก็คิดอยู่เร่องไหนคิดตัวเองไม่เห็นตัวเองคิดแต่ไปจับตรงที่ความว่างเปล่าเห็นแต่ตัวเองว่างเปล่าใจตัวเองคิดแต่ไม่เห็นแต่คนอื่นเห็นหมดเล้วว่าตัวเองมันฟุ้งซานเพราะตัวเองไปอยู่กับความคิดไม่อยู่กับรู้แต่ตัวเองก็อยู่กับความคิดเพราะรู้เนี่ยมันคิดไม่ได้ รู้เนี่ยมันไม่คิดเพรามันเป็นธรรมชาติของรู้ที่ถูกสร้างมาโดยรู้สร้างมาเพื่อให้รู้มันเป็นธรรมชาติเขาสร้างมาเพื่อให้รู้ธรรมชาติของดินเนี่ยเขาสร้างมาให้แข็งเนี่ยเราจับประด็นไหนในตัวเรานี่แข็งธรรมชาติของน้ําสร้างมาให้เหลวธรรมชาติของลมเนี่ยสร้างมาให้เคลื er no ่อนไหวธรรมชาติของไฟสร้างมาให้ร้อนให้อบุ่นแต่ธรรมชาติของรู้เนี่ยเขาสร้างมาให้รู้ไม่ได้สร้างให้คิดไอ้คิดนี่ยมันเป็นธรรมชาติของขันหน้าที่มารวมกันแล้ว มันเป็นธรรมชาติของขันห้าแต่ธรรมชาติของรู้มันก็จะรู้ว่าเนี่ยจิตใจมันคิดอะไรนี่แหละเป็นธรรมชาติของรู้แต่อีิคิดเนี่ยมันคือขันห้าที่ปรุงแต่งมาแล้วบอกว่าแจ้งให้แยกมันออกเลยเราก็จะคิดๆแล้วแต่เราก็จักว่า็เไว้แต่เราคิดๆก็ไม่เห็นได้ตัวเราเนี่ยมันเป็นขันห้าก็อยู่กับรู้ที่มารู้ตัวเราเนี่ยว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมคิดแต่เราเนี่ยแต่รู้แต่รู้เนี่ยมันคิดไม่เป็นเพราะไอ้ที่คิดไม่ใช่เราแต่เราเนี่ยจะแต่รู้ แต่รู้เราก็ไม่มีตัวเราทีม่มีตัวตนของเราเพราะรู้นี่มันคิดไม้เป็นมันได้แต่รู้ว่าเราได้กลังคิดแต่นี่เราเน้กำลังคิดแต่เราไปจับความรู้สึนว่างไว้จะไปทําอย่างนีน้่หลายคนมากมายเลยทําแบบนี้เยอะแยะแล้วเราสอนก็ไม่เขาไม่ฝังเราแลแ้วตอนนี้ยพราว่างแล้วว่างแล้วพอเราว่างมากเข้าก็เสียบเสียบแล้วก็เอาเอาอาจารย์ของเรามามาเสียบเราอีกมาไปหาอาจารย์เรามาแล้วอาจารย์เราบอกว่าเก็บผิดแล้ว อย่างนี้เขาเสร็จกินแล้ววันหนึงเราไปเจออาจารย์อาจารย์ทำไมบอกว่าเขาเสร็จจินแล้ว่เหรอก็สอนอะไรมาด้วยฟังกอย่างเดียวมันบอกว่าว่างว่าไม่ว่าจะพูดอะไรมันก็บอกว่าว่างแล้วว่างแล้วเออใช่อย่างนั้นว่าแล้วไม่ต้องไปแล้วไปไปไปไปเขาเลยบอกว่าอาจารย์ไม่ออกมาแล้วบอกว่าเสร็จกินแล้วไม่ต้องทำอะไรโอ้เนี่ยดูด้วยเนี่ยมันความหลงของคนหลวงขนาดนี้เลยเยความหลงในกาปฏิบัติเนี่ยมันหลงขนาดนี้นะเลยเราเนี่ยเลยพูดโอกาสที่เราจะ มาเขาก็ไม่ได้บ่นนะแต่ไม่รู้ว่าเขาวันจ๋าแล้วอาจจะมาเพราะว่าเราสแใจปฏิบัติจริงเอราก็ปฏิบัตินะแต่พอจะเจอเราไม่อยากให้หลงอยากให้เดินทางที่ถูกต้องเป็นสัญญาที่ถูกต้องเป็นสัมาพิสิทธิ์ก่อนมันจะได้ปฏิบัติได้ว่าอะไรที่ถูกต้องมันเป็นอย่างไรที่ผิดมันเป็นอย่างไรต้องบอกว่าที่ถูกที่ผิดไแปถ้าจะปฏิบัติเดินทางให้อยู่อย่างที่พลวงปู่ดูลย์นักรุ่นโั้นกล่าวว่า คิดเดินแค่คือผู้พัฒคิดเดินแค่คือผูพัฒน์ผู้พัฒน่ะคืิดเดินตดิแค่ของเราผู้ผู้รู้นั่นแหละไม่ใช่ตัวเราตัวนตัวตนไม่ใช่เป็นตัวร่างกายการเนื้อนี้ที่เป็นความรู้สึกคิดของการเนื้อนี้แต่เป็นผู้รู้ที่คิดนั่ไม่เป็นแต่รู้รู้ว่าจิดหคิดความคิดสิ่งที่คิดคือสิ่งทีูกรู้ไม่ใช่ผู้รู้ผู้รู้ไม่ใช่้คิดผู้คิดไม่ใช่ผู้รู้แต่ผู้รู้มันมารู้สิ่งที่ิดผู้คิดไม่ใช่ผู้รู้ผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิด แต่ผู้รู้จะรู้รสึกิจฉาเท่าปฏิบัติให้ถูกต้องตามนี้ไม่แน่มันจะมั่วมันจะมั่วเวลาเราฝุดยกพลิก็ได้เห็นกายที่เคลื่อนไหวแล้วเราก็ อ, อยู่สั่งแต่รู้สั่งแต่รับรู้ไม่ปรากฏอาการของผู้รู้ไม่ปรากฏตัวส่วนของผู้รู้ก็สั่งแต่รับรู้แล้วเป็นการอยาดมันเป็นแตอย่างไรเพราะผู้รู้เนี่ยมันเป็นธาตรู้ที่บริรสุทธิ์ของวัฏจักรธรรมชาติไม่มีความอยากก็เป็นคนความอยากเป็นกิเลสของคนมันคือยากเป็นความกิเลสของตัวเรา แต่ธรรมชาติของผู้รู้มันเป็นความอยากไม่ได้เพราะมันคิดไม่ได้มันได้แต่ร mm ู้ม hmm. so ันเลยมีความอยากในด้านเรนโบว์ในได้เพราะมันคิดไม่ได้มันได้แต่รู้เพราะฉะนั้นเวลาจิตใจของเราเนี่ยเวลากายเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวตัว้างนี้เป็นจิตใจตัว้างนี้เป็นกายเวลากายเคลื่อนไหวธรรมชาติของธาตรู้มันก็ได้แต่ว่าจิตก็สับตวัรับรู้สับตะวลนรู้หรือรู้ซื่อๆรู้่อๆอย่างทไปทมดเวลาจิตเคลื่อนไหวสมุนไพรี่จะจิตเคลื่อนไหวเพราะว่าจิตจะดีไม่ดียังไง ธรรมชาติของรู้มันก็ได้รู้แต่ติดขึ้นไาวอย่างซื่อๆอย่างไปทรงๆไม่ปรากฏอาการของผู้รู้ไม่ปรากฏคริยาการของผู้รู้ไม่ปรากฏผู้เป็นจ้องดูลู่อาการไว้มีแต่ยาการของสิ่งที่ถูกรู้แต่ไม่ยีผู้มาเฉลยมิแต่การของสิที่เคลื่อนไหวไม่ยีผู้เรลยไม่ยีผู้เฉลยหรือเรียกว่ารู้ในใจที่ว่างป่ารู้ติดทเคลื่อนไหวในใจที่ว่างเป่ารู้ไกลเคลื่อนไหวในในที่ว่างป่ารู้จิตเคลื่อนไหวในใจที่ว่างปล่ารู้การเคลื่อนไหวในใจที่ว่างป่าไม่ใช่ในใจความที่ถูกว่างขึ้นว่างป่าจากผู้ที่มโนจิตมั่นถิ่้ พิจารณ์สิสิูตรู้จิตเครื่อนไหวรู้กายเคลื่อนไหวรู้จิตเครื่อนไห่ศักด์แต่ว่ากระดูระก่านั่นแน่หรือรู้จะแจกเป็นวางรู้จะแจกเป็นวางไปเอ็นเทียมไปรักเป็นกรรมจิดเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้จิตเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้แต่แต่รู้ดื้อซื้อรู้ดื้อซื้ออยากที่จาเปลี่ยนใจิเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นจี่เป็นอย่างงั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันเป็นกิเลสคนมันเป็นกิเลสของตัวเรา แต่ผู้รู้มันทาเหมันไม่ได้ผู้รู้ที่เป็นพุทธะจะแต่รับดูับด่าคิดเป็นยังไงจรับูรับด่าตามควาจริงรู้กาเคลื่อนไหวรู้จิตเคลื่อนไหวรู้จิตเคลื่อนไหวรู้กายเคลื่อนไหวรู้จิตเคลื่อนไหวรู้กายเคลื่อนไหวรู้อย่างนี้มันที่ยีสิบชั่วโมงโยบินจะหลับไปตื่นมาก็รู้นี่แน่ผู้ซื่อสั้นที่พ่อแม่รี่กับพ